สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่62ครับภายใต้หัวข้อการอัศจรรย์ครั้งที่สครับพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาครับลูกาบทที่ห้าข้อที่1ถึงข้อที่11ครับคั้นเมื่อประชาชนประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเยเนซาร์ต และพระองค์ทรงเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนั้นแต่ชาวพระมงขึ้นจากเรือนั้นแล้วกำลังซักควนอยู่พระองค์จึงทรงเสด็จลงเรือลาหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงจัดแก่ซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ําลึกหย่อนอวนลงจับปลาซีโมนทูลตอบว่าปลาจารย์เจ้าค่ะ ข้าพทั้งหลายทอดอวนคืนยันรุ่งยังไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพุทจะหยอ่อนอวนลงตามพระดำํำรัสของพระองค์ <c oughs> เมื่อเขายอ่อนลงแล้วก็ล้อมป่าไว้เป็นอันมากจนอวนของเขากําลังปริกเขาจึงทําสําคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลําหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบฝ่ <c oughs> ายซเมันเปตโตเมื่อเห็นดังนั้นก็กราบลงที่พระชาลุของพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้ห่างจากฆาพรงเถิดเพราะว่าฆาพรง์เป็นคนบาปเพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้นยากบและยอนบุตรของเสด็จดีผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกันเพียซูตรัสแก่ซีโมนว่าอย่า ก, กลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนเมื่อเขานําเรือมาถึงฝั่งแล้วเขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้งตามพระองค์ไป นับเมื่อวานนี้เราเห็นนะครับว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันที่บันทึกอยู่ในพระธรรมมัทธิวมาร์โกนะครับแต่วันนี้เราขอใช้พระคัมภีลูกานะครับจากเมื่อวานนี้เราเห็นว่าเขาทั้งสี่คนนั้นก็ได้ละทิ้งอวนไปเมื่อเปเยซูทรงเรียกเขาตอบสนองทันทีวันนี้เราจะเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือสืบเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับเราเห็นการอัศจรรย์ครั้งที่สามของเปเยซู การอัศจรรย์ครั้งที่สามของพระเยซูนั้นในลูกาเล่าว่าพระองค์ได้ทรงหลบคนที่มาเบียดเสียดมารุมมาตุ้มลงไปประทับอยู่ในเรือของซีโมนนะครับซีโมนประหลัดใจก็ทูลพระ อ, องค์ว่าพระองค์พระอาจารย์เจ้าค่ะครับรองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังงุ่งยังไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูได้จัดกับซีโมนนะครับหลังจากที่ทรงสอนเสร็จแล้วจัดว่าจงถอยออกไปที่น้ําลึกหย่อนห ย, ย่อนอวนลงจับปลาครับ ซีโมนก็เลยประหลาดใจนะครับพี่น้องครับมีตะข่ายส อ, สองชนิดนะครับที่ใช้ในการจับปลานะครับอย่างหนึ่งอย่างแรกก็คืออวนขนาดใหญ่ครับยนจักท้ายเรือลงไปมีน้ำหนักถ่วงเพื่อให้คงรูปอยู่ในน้ำนะครับเมื่อเรือเล่นผ่านน้ำอวนนี้ก็จะเหมือนกับถุงใหญ่ครอบดักปลาที่ว่ายไปแล้วก็เป็นอวนที่เพียชูเรียกให้ซีโมนทอดลงไปนะครับมัทิว นะครับได้เล่าว่าพระเยซูทอดพระเนตรเห็นซีโมนกับแอนดรูกำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบแหยก็เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมืออย่างที่สองนะครั บ, น, รออออ น, รบนอกจากอวนที่ใช้ในการจับปลาปกติแล้วแหนะครับก็มีรูปร่างเป็นทรงกลมนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณห้าเมตรนะไม่ว่าจะใช้แหแหรือใช้อวนก็ตามฮนะลู ก, กาบันทึกว่าเมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมากจนอวนของเขากําลังปริ ในข้อที่เจ็ดบอกว่าซีโมนทาสัญญาณให้เพื่อนพ้องในเรืออีกลำหนึ่งมาช่วยเพื่อนพ้องที่ว่าก็คือยากบและหย่อนครับลูกาบันทึกว่าเขาได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเทียบไปโตตระหนักในทันทีทันใดนะครับว่าเหตุการณ์อัศจรรย์ครั้งที่สามครั้งนี้เป็นไปโดยฤทธิอำนาจของพระเยซูเขาก็เลยคุกเข่าลงการาบพระเยซูแล้วทูลว่าตรงเจ้าค่ะขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิด เพราะว่าค้าพงษ์นั้นเป็นคนบาปเบยโตรู้สึกสํานึกนะครับว่าตัวเองเป็นคนบาปหนาบาปหนาเกินกว่าที่จะเฝ้าอยู่เบื้องพระภักของพระเยซูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับสําหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันหลายหลาครั้งทีเดียวเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อเรานำมานมัสการพระเจ้าหรือเมื่อเราก้มศีรษะลงอธิษฐานเราทูลขอแต่ความต้องการของเราแล้วก็มานมัสการพระเจ้าในพระวิหารในโบสถ์ เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะสรรเสริญพระเจ้าทูลขอบอกพระเจ้าถึงความต้องการของเราขอให้พระเจ้าสนองตอบความต้องการของเราแต่เราลืมไปนะครับว่าเรานั้นมีบาปหนเป็นคนบาปหนาเกินกว่าที่จะเฝ้าอยู่จะต้องสารภาพบาปก่อนนะครับในหลายๆขีจกกักนะครับจะมีรายการสารภาพบาปส่วนตัวในใจหรือสารภาพบาปส่วนตัวใช้เวลากับพระเจ้าก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าจริงๆครับในวิดีโอกันนะครับ ทิดจากที่ยังไม่มีผมสนับสนุนและหนุนใจว่าน่าจะมีรายการนี้แทรกเข้าไปด้วยเรามาดูต่อไปนะครับว่าพระเยซูตรัสกับคนทั้งสีว่าอยางไงครับพระเยซูตรัสกับคนทั้งสีว่าอย่ากลัวเลยตั้งอย่างนี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนนะครับจับคนเหมือนกับจับปลานะครับในข้อที่สิบนะครับลูกาบันทึกว่าเมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้วพวกเขาก็สละสิ่งสละพัดทิ้งตามพระองค์ไปพี่น้องครับเหตุการณ์จะเดินไปนะครับยังไงก็ สิ่งที่สำคัญก็คือพระเยซูทรงพร้อมแล้วนะครับที่จะให้เปโตรยากบอันดุไรยอนสาวกสี่คนแรกนะครับอยู่กับพระองค์ตลอดไปครั้งแรกที่คนเหล่านี้เพราะพระเยซูบันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อสามสิบห้านะครับต อ, ตอนนี้นะครับพวกเขาตรัสพวกเขาได้ถูกพร ะ, พระเยซูรตรัสเรียกพวกเขามาติดตามพระองค์ครับในบันทึกพระกิติคุณคำตริยาที่ตามว่าติดตามนะครับ คำกริยาที่ว่าติดตามเนี่ยหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมรับการเรียกและภาระรับผิดชอบในการเป็นสาวกนะครับใครเป็นสาวกก็คือจะเป็นลูกศิษย์ครับไม่เพียงแต่รับคําสอนยังรับความคิดและวิถีการดําเนินชีวิตของอาจารย์ด้วยหมายความว่าคือต้องก๊อบฟีแบบของอาจารย์เลยครับแค่คนที่เป็นสาวกเพราะฉะนั้นสาวกของพระเยซูได้รับการเรียกขานว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกที่ไหนครับที่คือจากอันติโอครับ ในกิจการบทที่สิบกข้อยี่ิบหกพี่น้องครับอย่าสับสนพนไปนะครับว่าสาวกกับอัครทูตนั้นเหมือนกันไม่ใช่นะครับคนละลางกันนะครับสาวกก็คือคนที่เป็นลูกศิษย์หรือสานุษศิษย์ของพระเยซูนะครับพี่น้องครับในติดตามในการติดตามพระเยซูนั้นที่จะต้องเป็นสาวกนั้นทําอะไรบ้างมัทธิวมารัโกลูการบันทึกว่าเขาทั้งหลายนั้นต้องละจากอาชีพหาปลาหมายความว่าพวกเขาต้องสูญเสียอะไรได้ครับ เปโต้แต่งงานแล้วมีบ้านอยู่ที่คาเปอร์นาอูมไหมครับและเปโต้กับภรรยาก็ต้องสละเวลาที่อยู่ร่วมกันเพื่อเปโต้จะสามารถอยู่กับพระเยซูได้จะต้องสละบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งเป็นหลักของชีวิตมาติดตามพระเยซูติดตามพระองค์เราจะเห็นว่าเปโต้ติดตามพระเยซูขณะที่อยู่ที่คาเปอร์นาอูพระเยซูอาจจะประคับอยู่ที่บ้านของอเปโต้ก็ได้นะครับในสมปีที่พระเยซูประกอบพระราชกิจในโลกนี้ ตอนนี้ก็ผ่านไปนะครับและก็เป็นปีแรกเราสาวกยังจะใช้เวลากับพระองค์ต่อไปอีกสองสามปีครับพิเอชูไม่เคยเรียกร้องให้สาวกทําสิ่งที่เกินความสามารถพระองค์รู้ครับว่าพวกเขาเนะี่ยยินยอมพร้อมใจนะครับใจถึงในการที่จะติดตามพิเอชูพระองค์ก็เรียกเขานะครับหากการนำคนมาถึงพิเอชูไม่ใช่เป็นเรื่องสลัดสำคัญแล้วแล้วก็พระองค์ก็ทรงไม่เรียกให้คนทั้งสี่ละจากอางานอาชีพที่มีไรายได้ดี ของตัวเองนะครับมาเพื่อที่จะมาจับคนเสียไปดีพ่อของยอนและยากบนั้นก็มีลูกจ้างคอยคอยช่วยเหลือครับตอนที่ยากบและยอนจากมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าไปโตกับแอนดูทำไงบ้างนะครับแต่เราก็สามารถจินตนาการได้ว่าคนทั้งสองคงเก็บเรือของตัวเองไว้นะครับเผื่อว่าอาจจะมีโอกาสกลับมาจับปลาใหม่อีกซึ่งจริงแล้วหลังจากที่พระเยซูได้สิ้นพระชนพวกเขาก็อาจจะหมดหวังนะครับพวกเขาก็ออกมา ปลาอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะพูดต่อไปพี่น้องครับถามว่าทําไมพระเยซูทรงเรียกสี่คนนี้ทรงต้องการฝึกฝนเขาในการจับคนใช่ไหมครับนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดครับพี่น้องครับเราคาดหวังให้ใครเป็นผู้นําวิญญาณเพียงเพราะเขาเพึ่งจะไปไเป็นคริสเตียน่งนั้นได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับการต้อนรับพระเยซูไม่ได้ทําให้เขาสามารถเป็นพยานและรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเขาต้องรับการสร้าง ก่อนนะครับเขาต้องรับการสร้างและเข้าสู่กระบวนการการเป็นสาว ก, ก่อนผู้ที่นําคนมาเป็นคริสเตียนควรสร้างให้เขาเป็นสาวกที่สามารถเป็นพยานต่อผู้อื่นได้ด้วยพี่น้องครับบทเรียนของเราในเช้าวันนี้นะครับว่าด้วยการอัศจรรย์ครั้งที่3ของพระเยซูหลายลครั้งนะครับบางคนก็ลืมการอัศจรรย์นี้ครับเพราะว่าเราเราอาจจะไม่ถือว่าเป็นการอัศจรรย์ก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นการอัศจรรย์ครับเพราะเวลาออกหาปลานิทะเลสาบจัน ล, ลีนั้นเป็นเวลากลางคืนนะครับกลางวันร้อนปลาไม่มีรครับ ปามันหลบไปอยู่ในน้าลึกเย็นสบายแต่นี่กลางวันแสบๆครับพวกเขาจับปลาได้ขนาดอ้วนเกือบปริและได้ปลาเป็นเหลือพี่น้องครับพระเยซูทรงสำแดงฤทธิอานาจให้ประจักษ์แก่ชาวประมงทั้งสี่คนเพื่อจะเรียกเขาให้เขาได้มีโอกาสเป็นสาวกของพระองค์จับคนเหมือนจับปลาพี่น้องครับให้เราพิจารณาดูชีวิตของเรานะครับก่อนที่เราจะสิ้นสุดการฟังในวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะสงบลงนะครับแล้วก็ ศาษนาที่จะได้ยินเสียงเรียกของพระเยชูเพื่อที่เราจะเป็นสาวกขอพระเจ้าอวยพระพร